หนึ่งปฏิบัติตามากันตำรัตะมีหลงยีดจุดหนึ่งความเพียนชอบทั้งกระโดดปั้งนหน้าแล้วสติชอบความเปลียนชอบนี่เราก็เพียน เป็นละกิเลสเป็นความเพียนจากจนันทาความพอใจเบื้องต้นความพอใจที่จะทำสิ่งที่ทำเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าทำจนกระทั่งมันติดเป็นนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นเหตุเป็นผลจนมันพัฒนาเป็นตัวความเพียนอาตาปีสัมปชานโนอาตาปีสัมปชานโนสติมามันเป็นเพียนเปลี่ยนละกิเลสอะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ละความทุกข์ มันเป็นผลจากความหลงที่หลงแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรหลงไม่รู้ว่าความคิดมันคืออะไรแต่ว่าความคิดมันเป็นอาการของจิตนะมันไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตมันไม่ใช่จิต จะหลงก็ไปในการของจิตก็นึกว่าจิตน่ะเป็นเรานึกว่าจิตนี่เป็นเรามันเป็นเพียงแค่รอยล่องรอยมันล่องรอยเป็นแค่เงาเป็นแค่มายาผ้าแต่วคิดแล้วก็รอบคิดแล้วโกรธคิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็ สุขคิดแล้วก็ทุกเนี่ยหลงสุขหลงทุกมันจะมีตัวเหนือตัวสติตัวปัญญานที่มันเห็นแล้วมันออกมาจากความคิด เ, เบื้องต้นก็คือสติรู้สึกที่ฐานกายนั่นแหละเป็นปัญญาเบื้องต้นเลยเป็นสติเป็นสมรยะเบื้องต้นน ที่มาทำซ้ำๆมันก็เป็นการตอกย้ำ<ม>เป็นหลัก<ม>เป็นความมั่นคง<ม>รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว<ม>รู้อย่างอื่นในเรื่องรองแต่ว่ารู้สึกตัวในเรื่องหลัก<ม>เป็นงานหลัก มันเป็นประโยชน์ตนจริงๆมันช่วยให้การเดินทางของชีวิตมันสะดวกการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตมันสะดวกมันไม่ใช้ชีวิตมันใช้เราเราใจชีวิตใจความคิดใจการพูดใจการกระทำใจชีวิตใจกายใจใจมันก็ทำหน้าที่อย่างน้อยก็ บอกพองก็น้อยที่สุดมันก็มีความสมุูแบบขึ้นมาเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ทำงานทำการซึ่งงานการก็คือการแก้ปัญหานั่นแหละทให้เกิดความสะดวกใหยเกิดความสบายทาให้เกิดความสุขแต่าว่างานก็มีอุปสรรคเพราะบางทีการงาน มันเป็นการแก้ปัญหาใหม่ๆยิ่งแก้ก็ยิ่งลึกจะเกิดปัญหาใหม่ๆลึกลงลึกลงลึกลงลึกลงจนเกินกำลังของสติของปัญญาในทางโลกที่เรามีกับเหมือนกับการรักษาโรคนะรักษามากี่พันปีแล้วก็ยังต้องค้นหาต่อไปมันไม่หยุดเชื้อโรคมันก็พัฒนา ไปเรื่อยๆสายพันธุ์ใหม่มันเป็นสายพันธุ์ใหม่นวยศาสตร์กับคนคิดทางการแพทย์ก็เสาะหาสืบคน้นมันมีอะไรที่จะช่วยทำให้เกิดการแก้ไขผ่อนคลายบรรเทาเยียวย า, ยารักษาแล้วก็หายขาดมันไม่จบ นะแต่ว่าการที่เรามาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจนะี่มันจบเป็นนะกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย้ายสุดทุกคนนะถ้าหลงไปไม่รู้ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายนะทุกข์เพราะว่านะมีโครคภัยไข้เจ็บทุกกายด้วยทุกใจด้วย สองต่อลูกศรดอกเดียวยิงไปโดนสองต่อโดนกายถูกกายทะลุไปถูกจิตถูกใจป่วยกายป่วยใจแต่พอมารู้สึกตัวทอนนั้นนะ่ะมันกลายเป็นว่ากายป่วยก็กายป่วยไปสิแต่ว่าจิตใจมันไม่ได้ป่วยด้วยมันเห็นตรงนี้ จิตใจที่เคยป่วยเพราโรคพรากอดพ่พ อ, พอหลงพ่อะบวกอบว ก, บวกลบลบสุขสุทุกทกุหลงไปไมัน ก, กลายเป็นว่าหายป่วยหายหลงหายป่วยโรคจิตโรคใจใช้จิตตภาวนาก็ใช้ไม่ต้องใช้ลักษณะของ เหนือนั้นไปอีกเหนือจิตตาภาวนาไปอีกรู้จนกระทั่งมันเหนือรู้ไปอีกมันมีอยู่มันที่สุดนะมันเป็นที่สุดจนมันไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็มีมันอยู่คืออิสรภาพเป็นธรรมชาติล้วนๆไปเลย มันเหนื่อยจริงๆแต่ว่าเราก็ต้องมีนะการกระทาลงไปจิตตภาวนาลงไปก่อนสติดูกายสติดูจิตสติรู้สติเราก็คลําไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นข้ามเป็นตอนจนกระทั่งมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละจนมันหายสงสัยทั้งหมดทั้งสิ้นไปเลยเรื่องกายเป็นยังไงกายในกายเป็นยังไง เรื่องจิตเป็นยังไงอาการที่มันเกิดกับจิตเป็นยังไงการคิดการ น, นึกการปรุงการแต่งรู้แล้วรู้อีกรู้สึกตัวนี่แหละจนมันมีความเป็นเองเกิดขึ้นมาภายในมันมีอยู่มันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อก่อนเราใช้กำลังคือรูปปีกาขาแข็งท้องโลกกว้างเผชิญโลกกว้างไม่เกรงใจใคร อาบน้ำก็ไม่หนาวเล่นได้ทั้งวันไม่เหนื่อยกำลังคือรูปกำลังคือรูปคนที่มีครอบครัวมีลูกมีกำลังใจลูกจะหิวไม่ได้แม่จะอิ่มก่อนลูกไม่ได้ลูกต้องอิ่มก่อนแม่หัวอกของแม่ของพ่อเป็นอย่างนั้น เคยขาดสิ่งไหนลูกก็จะต้องเติมเต็มขาดไม่ได้พร่องไม่ได้ไม่เคยมีของเล่นลูกต้องมีของเล่นเราไม่เคยได้กินอร่อยอร่อยลูกต้องได้กินอร่อยอร่อยเราก็หามาอาบเหงื่อต่างน้ากำลังคือลูกกำลังคือญาต ไปไหนถ้ามีญาติมีพี่น้องมีสกุลมีพักมีพวกก็อบอุ่ น, นกำลังคือญาติกำลังคือทรัพย์เราก็หากั น, นพอได้ทรัพย์มาอยู่ในครอบครองก็มีกำลังไม่อดท้องอิ่มมีอยู่มีกิน พิ่มตัวเองได้กําลังคือทรัพย์ไปไหนก็ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเปลี่ยนลงเปลี่ยนสารเปลี่ยนคดีความใช้เงินใช้ทองหลักคือกําลังคือทรัพย์ทองออกไปนอกโลกโลกใบนี้ไม่พอท่องสุริยะจักรวาลเสียเงินเสียทองสละลายก็เสีย หมดเงินหมดทองหมดทรัยากรธรรมชาติเท่าไหยก็ไดนะ้เพราะมันมีกําลังที่สำัญที่สุดคือกําลังคือศีลนะกาลังคือศีลนะมันเป็นกําลังของจิตใจที่มีนะความเป็นปกตินั้นคะวามเป็นปกติเราก็ต้องเพียรนะเพียรที่จะสร้างเพียรที่จะเจริญให้มากๆนะเป็นความเพียร เปียนที่จะรักษาเอาไว้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวขยันภาวนาภาวนาแล้วก็ขยันเก็บรักษาเอาไว้รู้สึกตัวรู้สึกตัวนหาเงินหาทองเราก็ไม่ได้หาห้าใจสิบหาห้าใจสักหนึ่งสักสองที่เหลือเก็บหอมลอมริบเอาไว้สติก็เป็นอย่างนั้นแหละ เราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปวินาทีหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งไม่ช้าเกินไปไม่ไวเกินไปพลิกตั้งรู้สึกยกมือขึ้นไปรู้สึกเดินจงกรมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บมารู้สึกให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงมันลูกโซ่เป็นการฝึกสติเราก็รู้แบบ จุดไข่ปลารู้เป็นคลังรู้เป็นคลังรู้เป็นคลังไม่รู้แบบเหล็กเส้นที่มันยืดเป็นเชือกรูปแบบรวดแบบเหล็กเส้นแบบเชือกอันนั้นเป็นสมาธิรูปแบบสมาธิรู้แล้วไม่เกิดปัญญาสงบอร่อยแต่ว่าไม่มีปัญญาทําแล้วก็ไม่เห็นแจ้งในรูปน้ำกัน5ไม่หายสงสัย ดังนั้นเราต้องสร้างกำลังใจให้มันเกิดขึ้นให้ได้ด้วยตัวของตัวเรานี่แหละไม่ต้องให้ใครจูงใจไม่ต้องให้ใครมาผลักดันแต่มันเป็นแรงบันดาลใจที่เรารู้จักหน้าที่ขณะนี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาภาวนาภาวนาคือขยันรู้ภาวนาเพื่อไม่ต้องภาวนาทํางานเพื่อไม่ต้องทํางานเดินเพื่อที่จะหยุด เพเดินเพื่เดินไปไหนไเดินพื่อยหยุดเราปฏิวัติธรรมเพื่อจะให้มันถึงจุดหมายปลายทางทุกครั้งถึงทุกครั้งเดินเก้าหนึ่งถึงครั้งหนึ่งเดินเก้าหนึ่งถึงครั้งหนึ่งรู้สึกตัวครั้งหนึ่งมันก็ถึงอยู่แล้วครั้งหนึ่งหายใจครั้งหนึ่งมันก็มีชีวิตแล้วครั้งหนึ่ง ก็ยังต้องหายใจต่อไปฉันใดก็ดีก็ต้องรู้สึกตัวต่อไปจะรู้กายก็ได้จะรู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้รู้ธรรมก็ได้จะรู้ตรงไหนก็รู้ไปจนกรังรู้จนก็ะังมันเห็นความเป็นจริงแจ้งประจักษ์ในใจเราตัวใครตัวเราไม่เกี่ยวกับใครมาเป็นประโยชน์ตนแล้วมันก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อท่านเราก็จึงให้กาลังใจกันประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ด้วยคพูดในการแสดงออก mm. พูดให้ฟังทําให้ mm. ดูอยู่ให้เห็นห mm. ลวงพ่อเขียนน่าจเย็นให้สัมผัส mm. มีความเย็นเหมือนฝนตกเย็นแต่ก่อนที่จะเย็นมันร้อนอ้าวเ mm. มวื่อวานนี่ร้อนตับแลบเลยร้อนตับแตกอ้าวปฏิยาของกายก็รับรู้ได้สองวันก่อนเห็นหมดขนไข่ก็ทํานายไปแล้ว รู้เลยรู้จักแลรหัสธรรมชาติตัวนี้เห็นแล้วมันขนไข่หนีวิ่งหมดฝนก็ตกมาเราก็เย็นแต่ก่อนที่จะเย็นมันอ้าวฉันใดก็ดีไปเดือดทำมันก็เป็นอย่างนั้นนะทุรนทุลายร้อนอกร้อ น, อนใจปวดเมื่อยหนักแต่หลังจากนั้นเน่ยมันเย็นชุ่มฉ่ำการเรือทำเปนการ เหมือนกับการกินอ้อยจากปลายไปหาโคนปลายก็จืดชืดขมคืนไครคอหวานปแป่ล่มปแป่ลมแล้วกายสุดก็หวานมากินไปเรื่อยๆธรรมะต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดกินยาต้องกินให้ครบโต๊นไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆกลายเป็นโลกดื้อยาจิตใจของเราจะด้านจากความดีความงามไป เราก็จึงให้กำลังใจกับตัวเองนะไม่ต้องให้คนอื่นเขาให้เหมือนกับเด็กหญิงมอมแมมเด็กหญิงวอมแมมเนี่ยเป็นโรคผ่าตัดมา3ามครั้งจะตายอยู่แลนอนอยู่ในโรงพยาบาลปรากฏว่าโรงพยาบาลก็เปิดทีวีให้ดนะูก็เลยติดละครทีวี เกมรักเกมร้ายก็ดูพระเอกชอบพระเอกมากชอบนาเดชมากรู้จักนาเดชไหมใครรู้จักยกมือเคยคุยกันนาเดชไดไงรู้จักกับเขานั่นแหละพอดูแล้วโหติดใจพระเอกก็เลยไม่ยอมตาย ใจก็จะดูละครน่นะนะรู้สึกดูพระเอกแล้มีกําลังใจไม่ยอมตายหมอบอกจะตายก็ไม่ตายจะคอยดูละครทีนี้เขาก็รู้แล้วว่าอ๋อเด็กค น, นนี้นี่อยู่ได้เพราะว่าจะดูทีวีที่ไม่ตายเนี่ยก็เลยไปบอกพระเอกนะดัดเดทนะบอกว่าเด็กหญิงมอมแมมเนี่ยขังใครในตัวคุณมากเนี่ยตอนนี้ไม่ยอมตายอ่ะ นาเดชลกูก็เลยซื้อของขวัญของขวัญมาเยี่ยมน้องมอมแมมมาถึงให้ของขวัญแล้วก็กรอดหอมแก้มเด็กปลื้มมากเลยวันลงขึ้นเนี่ยลูกขึ้นเดินลงจากเตียงหมองงเลยหมองงมันเกิดอะไรขึ้นเด็กได้กำลังใจหรือว่าสีเทา ดาวตลกยกหนึ่งป่วยเกือบตายอยู่แล้วนอนแบบหมดกำลังใจในวังเอากระเช้าไปเยี่ยมได้กระเช้าเป็นดาวตลกที่ตลกโดยไม่หยาบโลนนะลามกนะเป็นจิตวิญญาณของนักสแสดงตลก ก็กลัว่าพอได้กระเช้าท่านหายป่วยเป็นปิดทิ้งเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละกำลังใจมันเป็นกำลังใจที่บุคคลอื่นให้เราแต่ว่าปฏิบัติธรรมเราจะต้องให้ตัวเองต้องให้ตัวเองต้องรู้ว่าเรามาทำอะไรรู้ให้ชัดมีศรัทธามีความเชื่อที่นี่เขาทาอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้ วัดป่าสุกโตเจริญสติแนวเคลื่อนไหวหลวงปู่เทียนจิตโภนะเป็นอาจารย์ของอาจารย์คำเขียนยท่านก็สร้างวัดสร้างวาให้เรามาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกันเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะอาตมาก็เห็นว่าสิ่งนี้มันสำคัญมาอยู่ที่นี่14ปีต้องการเรียนรู้เรื่องนี้ ก็สร้างฐานทางเดินจงกรมเอาไว้เห็นว่าเออมันเป็นประโยชน์มากๆตั้งแต่บวชที่แรกแล้วแหละมาบวชอาทิตย์แรกก็ทำแล้วฐานทางเดินจงกรมมาทำเดินเองอยู่ในวัดไปทำเดินเห็นว่าการเดินจงกรมมีประโยชน์มากวันทั้งวันเราไม่ได้ทำอะไรวิสัยของสมณะก็เดินไปเดินมาเดินจงกรม ก็มีกำลังใจแบบนั้นเห็นว่ายิ่งเดินแล้วกำลังใจมันยิ่งเกิดขึ้นมาความเป็นปกติมากเท่าไหรก็มั่นคงเท่านั้นนั่งยกมือสิบสี่ยังว่าการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือมันก็เหมือนกับการเดินจงกรมเท้าเคลื่อนกับมือเคลื่อนสิ่งเดียวกันถ้าลมภายในก็ขับเคลื่อนเอ็นเลือดเนื้อ ก, กระดูกก็ตึงก็ย่อนเก่งกลายเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง เราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวจิก ต, ก, ตก็ ก, ตก็เหมือนกับไข่เกลียวไข่น็อตเคยปลูกมัดรัดตึงมันมื่อคลายมันออกจากความคิดมากเท่าไหร่มันก็สบายมากเท่านั้นแล้วมันยิ่งเนะหลือแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์วิชาความรู้ก็ไม่ได้หายไปไหน มันก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าปฏิบัติทรแล้วความร่วมจะใช้ไม่ได้มันแถมชัดเจนมากกว่าเก่ามีความชัดเจนในสิ่งนั้นนะทะลุทะลวงมากกว่าเก่ามันก็เลยไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องทำแล้วเป็นเต่าล้านปีถอยหลังเข้าคลองล่าสมัยทำอะไรไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมีแต่เรื่องคล่องตัวนะว่องไวมีความคล่องตัวมีความว่องไว รู้สึว่าชีวิตมันมันดีขึ้นกว่าเก่าความสุขมีมากกว่าเก่าทาั้งๆที่วัตถุภายนอกมีน้อยมากกว่าเก่าภายนอกนี่จากบุคคลที่เราแสวงหานักโรลักเราไม่ต้องไปแสวงหาจากวัตถุหนึ่งสองสามเคยแสวงหาไม่ต้องแสวงหา ความสุขที่เคยสแสวงหาไม่ต้องสแสวงหาหยุดแล้วมันมีขึ้นมามันเป็นความสุขที่เกิดจากการหยุดนะเมื่อก่อนเป็นความสุขที่เราวิ่งไล่ทะยานอยากอยากได้แล้วก็มีปัญญามากเอาเปรียบกันมีปัญญาน้อยมือข้ายาวสาวได้สาวเอาน้ําขึ้นรีบตักนะแต่ต้องกลายเป็นว่าอยู่เฉยๆนี่นแหละเนะมื่อก่อนก็เคยนะ เหมือนวิ่งไล่จับเงาตัวเองเหมือนกันต้องการอะไรแล้วก็สแสวงหาเอาพยายามผลักตัวเองพาตัวเอง<ม>ไปหาสิ่งนั้น<ม>แต่ท้ายสุดมันน่าสนใจวิชาที่เจ้าชายศรีฐาหลพุทเจ้านะที่มาคือเราดูนะจำลองที่อยู่ดูอยู่ในพุทธประวัติ<ม>เราก็เห็นแล้วว่าคนคนหนึ่งเจ้าชายศีีฐา ก็มีบ้านปาษาทสามฤดูฤดูฝนก็หลังหนึ่งฤดูหนาวก็หลังหนึ่งฤดูร้อนก็อยู่หลังหนึ่งจักรยะโคตโอรสสาทิราชอย่างเงีต้ตายสุดสลัดภรรยาเมียก็สวยลูกก็กําลังเกิดไม่ได้เจ็ดวันใครมีลูกก็รักลูกหมดนั่นแหละมันมีกําลังแต่ท้ายสุดเห็นแล้วว่ามันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายฮะมันเป็นทุกข์นะ เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นเทวทูตสี่จกระทั่งตัดสินใจปลงผมเลือกเพศสมณะอย่างเี้าบรรพนทุกขคริยาแบบโยคีแบบโยคะ <c oughs> คิดว่าทุกข์มันเกิดที่กายก็ข้าวก็ไม่กินอดข้าวอดน้ำจนผอมแห้ง เราก็ไม่นำไปทำอย่างนั้นหรอกนะเราก็กินตามธรรมดานี่แหลนะมีเช้ามืออม้อหนึ่งตอนแผนมื้อหนึ่งตามธรรมดาแต่องค์สมเด็จสมานเจ้าตอนสมัยเป็นเจ้าชายที่สามนี่ไม่ธรรมดาค้นหาท้ายสุดนะเห็นว่าทุกเกิดในจิตใจของเรามีกิเลสมีตัณหามีอรตนะีมีมานต่างๆ ลูกสมุนลูกน้องของพญามารมีพญามารมารที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดที่มันเหมือนกับตัวเรามากที่สุดก็คือความคิดตัวความคิดการปรุงกันแต่งนี่นมันคือเราแท้ๆเราก็ไม่รู้จักมันแต่ท้ายสุดพอ ร, รู้จักเท่านั้นนะมีสติจะเห็นกายเห็นใจนั่นแหละต่างความเป็นจริง กราทั่งได้คำต่อขึ้นมาเราก็เออไม่ได้มาค้นหาอะไรกันเนาะเราก็มาเรียนตามพ่อกรัตามครูของเรามาฝึกสติให้มีสัมผัญญิขึ้นมาให้เกิดปัญญาอันยิ่งขึ้นมาแล้วก็รู้กันจริ่งขึ้นไปรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้เวนารู้จิตรู้ธรรม ลงมือกระทำจนกระทั่งมันเข้าใจธรรมชาติโดยการสัมผัสมันเป็นการแยกอย่างเช่นตอนนี้ฝนตกหลักวิทยาศ า, ศาสตร์ก็บอกว่ามันมีออกซิเจนผสมอยู่กับอะไรฝนเนี่ยมันผสมกับอะไรนะออกซิเจนกับอะไรไฮโดรเจน เราแยกได้ไหมอีะตอมน้ำนี่น้ำคืออะไร H2O เียเราแยกได้เพราะอะไรเพราะเรามาเรียนใช่ไหมมีผู้รู้นวยศาสตร์ท่านรู้ไว้บอกเราก่อนละพอเรามาเรียนเราแยกได้โอ้มันใช่จริงๆ เราก็ลองเอาสูตรนะมาทดลองในห้องแลบเราก็จะเห็นเลยว่าเออมันก็เป็นหยดน้ําจริงๆเราเอาน้ามาแยกเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันแยกแยะ แ, แบบนั้นล่ะกายใจของเราความคิดหรือว่าตัวสติมันก็แยกแบบนั้นอนะ เมื่อเรารู้ตัวมันก็มีตัวรู้เกิดขึ้นมาเมื่อมีตัวรู้มันก็รู้ตัวลงไปตัวสติจะได้ตัวรู้มันก็รู้อะไรมากมายมันก็คือประสบการณ์บทเรียนที่เราปฏิบัติรมแล้วมันเกิดกำลังขึ้นมาพัฒนาจากอนุบาลเป็นปถมเป็นมัธยมเป็นอุดมศึกษามันก็เรียนจบเป็น แต่ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรอย่างในรายชื่อเนี่ยจำนวนร้อยกว่าชีวิตเนี่ยที่อยู่ในกระดาษเป็นรายชื่อของผู้ที่มาเข้าคอร์สมันก็มีรายชื่อบางคนที่ถูกกาไว้ว่าถูกพักการเรียนก็คือเรียนไม่จบแล้วก็มีรายชื่อาบางคนบางท่านก็ไม่ได้มา ไม่ได้มามาเรียนรู้วิชากรรมฐานเพราะนั้นพวกเราที่มาเนี่ยมีบุญนะมีบุญมีวาสนามันถึงเวลาที่จะต้องรับรู้ข้อมูลเพื่อที่จะใช้ข้อมูลที่รับรู้นะ่ในวันข้างหน้าของชีวิตเราเวลาเรามีความคิดมีปัญหามีความทุกข์ เราก็ได้ใช้วิชาความรู้สึกตัวนี่แหละจนทั้งมันผ่านอุปสรรคผ่านปัญหากลายเป็นชีวิตที่เข้มแข็งแ ล, ล้วก็แข่งเหมือนกับต้นไม้ที่ผ่านฝนผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านไฟที่ไหม้ทุกปีชีวิตก็จะเป็นวงปีที่สวยงามแต่ละปีวงปีก็เข้มหรือว่าจาง มันเป็นไม้ที่มีค่าแล้วก็สวยงามแต่ถ้าต้นไหน น, ไไนี่น้ำท่วมก็ตายไฟไหม้ก็ตายจะลมพัดก็ล้มตึงอย่างเงี้ยก็มันบอกถึงว่าเป็นไม้ล้มลุกเราก็พยายามทําชีวิตของเราวันนี้ให้เหมือนกันว่าเป็นไม้ยืนต้นที่ต้องการใช้ชีวิตไปอีกนานๆแล้วก็เป็นลม่มโพล่มใสเป็นบรรพุรุษที่ดีให้กับลูกกับหลานของเรา ต่อไปใช้ชีวิตอย่างมีกำไรชีวิตมีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวจนทั่งละชั่วทำดีมีแต่ความสุขมีแต่ความดีความงามเห็นสัจธรรมความเป็นจริงจนเกิดการปล่อยวางในชีวิตจะทำอะไรก็ไม่ยึดไม่ถือ ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตนไม่ได้เห็นแก่ตัวเราก็ทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อมันเป็นธรรมทำอะไรก็เกิดความยุติธรรมมันยุติด้วยธรรมเราก็ไม่ต้องทุกข์ใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจทำหน้าที่ได้อย่างสะดวกอันนี้ลรคือกาลังคือศีลเมื่อใจมีสติอยู่กับกาย ผลลัพธ์มัจะเป็นปกติเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานะเรียกว่าศีลใจที่มีศีลก็มีความเป็นปกติศีลก็นําสุขมาให้ศีลก็นําโภคทรัพย์มาให้ศีลก็นําความเย็นมาให้อันนี้นะก็เป็นผลจากการที่เราได้มามีความภาคเพียรในวันเนี้ยขณะเนี้ยแล้วก็ระลึกรู้ความรู้สึกตัวการเจริญสติจนทังจิตใจมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมานั่นก็คือสมาธิ แล้วเราก็เห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องนะั่นคือปัญญา อ, าอาะไรก็พูดให้ฟังใจนี้เห็นว่าสมควรเกลากลาบ พ, าพร้อมกัน